เจ็สบสองเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรผู้ผูกเวรว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขาลักของเราไปเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับผู้ไม่ผูกเวรว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาชนะเราเขาลักของของเราไปเวรของผู้นั้นย่อมระงับ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 คือทำฝ่ายชั่วเพื่อทำให้กุศ ล, ลธรรมคือทาฝ่ายดีสมบูรณ์เป็นผู้ลงแรงบากบั่นมั่นไม่ท้อทุระในกุศ ล, ลธรรมนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากาลังคือความเพียรดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาลังคือความละอายต่อบาปเป็นชนอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้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 กำลังคือความระลึกได้เป็นชนัอริยส า, าวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและสัมปะชัญญะอันยอดเยี่ยมย่อมระลึกได้ย่อมนึกออกถึงสิ่งที่กระทาไว้นานแล้วถึงถ้อยคำที่พูดไว้นานแล้วได้นี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่ากำลังคือความระลึกได้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 ยอมได้บรรลุความสุขอันไพ่บูนแปดสขึ้นสู่ที่สูงมองดูคนข้างล่างเมื่อใดบัณฑิตรุนความประมาทออกด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นบัณฑิตขึ้นสู่ประศาสตรคือปัญญาเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นประชาสัตว์ผู้เศร้าโศกผู้มีปัญญา